4. 4. М. 4.4 การได้ดวงตาเห็นธรรมวงเล็บเปิด24มีนาคม2550ในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาที14วงเล็บปิดให้รู้สภาวะธรรมทั้งหลายอย่างเป็นกลางถ้ายินดียนร้ายรู้ทันความยินดีเย็นร้ายดับไปมันจะเป็นกลางให้รู้สภาวะธรรมทั้งหลายด้วยใจที่เป็นกลางนี่แหละ สภาวะธรรมจะแสดงไตรลักษ์ให้ดูแล้วก็ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะดูไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งจิตมันยอมรับความจริงของกายของใจที่เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่ว่าเห็นอะไรหรอกดวงตาเห็นธรรมก็คือการเห็นธรรมดาของกายของใจนี้เองธรรมดาของกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมดาของจิตใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตยอมรับตรงนี้ได้ ดังนั้นที่เราเรียนธรรมะนะก็เพื่อวันหนึ่งจิตใจเราจะยอมรับความเป็นธรรมดาของกายของใจนี้ค่อยเรียนไปเรื่อยจนไม่ยึดถือวันหนึ่งหมดความยึดถือกายยึดถือใจที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ตรงนี้ตราบใดที่เรายังยึดถือกายยึดถือใจอยู่ความทุกข์ยังมีอยู่เพราะอะไรเพราะกายกับใจนี่แหละคือตัวทุกข์พระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าเครื่องหมายคาพูดเปิดสังขิตเตนะปันจุ ป, ปาทานขันธาทุกขา ปิดเครื่องหมายคำพูดคือว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ตราบใดที่ยังหยิบฉวยขันห้าอยู่ความทุกข์ก็ยังเกิดขึ้นภาระยังเกิดขึ้นถ้าเราเห็นแจ้งในกายในใจปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจก็คือระวางตัวทุกขทิ้งไปแล้วมันจะเข้าถึงสันติสุขล้วนๆเลยมีความสุขล้วนๆทั้งวันทั้งคืนเลยจิตมันเข้าถึงสภาพที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งอกุศลจะมาปรุงไม่ได้เลยกุศลก็ไม่ปรุง แต่กุสนมีอย่างเวลาที่เราต้องสัมผัสหรือสัมพันธ์กับโลกกับคนอื่นเนี่ยจิตมันจะปรุงเมตตาขึ้นมาปรุงเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปรุงขึ้นมาใช้งานนะพอใช้งานเสร็จเลิกอยู่ของเราลำพังมันจะตัดความปรุงแต่งพวกนี้ทิ้งไปเลยมันไม่มาห่วงใยอะไรอารอวอนผู้ใดผู้หนึ่งเลยสักนิดเดียวก็ไม่มีนะ